เรื่องเล่าผีหลอนตอนตำนานลึกลับพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวในทางภาคอีสานนั้นมีความเชื่อเรื่องปอบกันมาตั้งแต่สมัยโบราณคนที่เลี้ยงผีปอบไว้ก็คือหมอผีที่เล่นมนดำหรือไสยศาสตร์ส่งถือว่าเป็นอาวิชา ตามคำเล่าลือกันมาตั้งแต่ยุคคนเฒ่าคนแก่ว่ากันว่าในหมู่บ้านหนึ่งจะมีพระอุ้มหมาสีดำและแม่ชีอุ้มแมวสีดำเดินเข้าไปในหมู่บ้านหากใครขานรับจะมีอันเป็นไปพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวจะเดินไปเคาะตามประตูบ้านหากใครเปิดรับก็จะเสียชีวิตทันที และเมื่อมีการชนสูตรศพก็จะพบว่าอวัยวะภายในหายไปหมดคนเฒ่าคนแก่จึงเชื่อกันว่าพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวนั้นเป็นปอบนั่นเองและปอบนั้นก็มีต้นกำเนิดมาจากผู้ที่มีอาวิชาทางไสยศาสตร์ที่มีความแก่กล้าทางอาคมสามารถที่จะไปทำร้ายหรือทำลายชีวิตผู้อื่นได้ เช่นการทำสเสน่ห์เสกหนังควายหรือใช้มนตราบังคับวิญญาณให้ไปเข้าสิงผู้อื่นได้ไสยศาสตร์นั้นมีข้อบังคับข้อปฏิบัติอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงระบุไว้ว่าไสยศาสตร์ถือเป็นเดียร์ฉานวิชาห้ามละเมิดข้อปฏิบัติโดยเด็ดขาดและหากละเมิดข้อบังคับปฏิบัติแล้วนั้นบรมครู ลงโทษให้ผู้นั้นกลายเป็นปอบหรืออีกกรณีหนึ่งคือชอบเล่นไสยศาสตร์ไปทำร้ายผู้อื่นอย่างไม่กลัวบาปคาถาอาคมไสยเวทจะย้อนกลับเข้าตัวผู้นั้นและกลายเป็นปอบในที่สุดและอาหารของปอบนั้นจะเป็นอาหารสุกๆดิบๆเช่นตับหมูตับไก่เมื่อตอนกลางปีพุทธศักราช 2,545 มีข่าวลือไปทั่วจังหวัดสกลนครพูดถึงเรื่องผีปอบที่มาเนี่วร่างของพระสงฆ์ที่ทุดงผ่านมาขอที่พักกับชาวบ้านโดยในตอนนั้นมีชาวบ้านคนหนึ่งนิมนต์พระทุดงรูปนี้ให้มาพักแรมในบ้านของเขาเองเพราะคนต่างจังหวัดถือกันว่าการได้ต้อนรับพระทุดงนั้นถือเป็นมงคล และเป็นเรื่องดีแก่ครอบครัวจนเวลาผ่านมาถึงรุ่งเช้าบ้านหลังนั้นก็กลับเงียบจนผิดปกติไม่มีใครลุกขึ้นมานึ่งข้าวในตอนเช้าไม่มีเสียงคนในบ้านทำอะไรสักอย่างมันเงียบราวกับว่าคนในบ้านยังไม่มีใครตื่นนอนขึ้นมาทาั้งๆที่มันเลยเวลาพักผ่อนไปมากแล้วคนละแวกใกล้ จางก็พากันสงสัยลองร้องเรียกเข้าไปก็ไม่มีใครขานรับเห็นแบบนั้นชาวบ้านก็เลยถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปดูพอพวกเขาเข้าไปถึงในบ้านก็พบว่าทุกคนนั้นยังนอนหลับกันอยู่พอลองเอามือจับขยับตัวดูก็พบว่าทุกคนในบ้านตัวแข็งกันไปหมดเสียแล้ว และนอกจากคนในบ้านจะตายกันหมดพวกเหล่าสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวก็ล้วนตายไปหมดอย่างลึกลับพอข่าวการตายนี้ถูกร่ำลือกันไปมันก็ทำให้ชาวบ้านตกอยู่ในความหวาดกลัวแต่ก็มีบางบ้านเล่า ว, ว่าตอนเย็นจะมีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาขอพักแรมพอถึงรุ่งเช้า ท่านก็หายไปอย่างไรร่องรอยผิดจากพระสงฆ์ทั่วไปที่พอถึงรุ่งเช้าท่านจะต้องออกบินธบาตในหมู่บ้านซึ่งการหายตัวไปของพระสงฆ์รูปนี้ทำให้ชาวบ้านมองกันว่าบางทีมันอาจจะเป็นผีปอบจำแรงกายมาแต่ทีนี้ หลังจากที่มีพระทุดงหายไปก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดซับซ้อนขึ้นมาอีกโดยคราวนี้เป็นแม่ชีที่อุ้มแมวดำเข้ามาขอพักอาศัยค้างแรมในหมู่บ้านซึ่งแม้ชาวบ้านจะเพิ่งผ่านเหตุการณ์สยองขวัญกันมาก็ยังคงใจดีต้อนรับแม่ชีอย่างไม่บกพร่องเพราะถือว่าแม่ชีนั้นคือผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ ไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้ต้องเดือดร้อนพอถึงรุ่งเช้าแม่ชีก็หายไปคนในบ้านหลังนั้นก็ตายกันยกบ้านอีกหลังลักษณะการตายก็ใกล้เคียงกันเพราะไม่ว่าจะทั้งคนทั้งสัตว์ต่างก็เสียชีวิตกันไปหมดชาวบ้านที่เหลือต่างก็หวาดกลัวกันหนักหนาจะย้ายบ้านนี้ก็เสียดายสิ่งที่สร้างสมกันมานาน คิดกันได้แบบนั้นทุกคนจึงร่วมมือร่วมใจกันหาทางออกซึ่งมันก็มีทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องลุกขึ้นสู้กับมันชาวบ้านจึงเชิญหมอธรรมหรือหมอผีให้มาช่วยทำพิธีขับไล่ผีปอบทันทีเพราะถ้าขืนปล่อยเอาไว้นานคนทั้งหมู่บ้านอาจจะไม่มีเหลือแน่พิธีจับผีจึงเริ่มขึ้น ชาวบ้านอีสานเรียกพิธีนี้ว่าพิธีเสียงข้องไล่จับผีและหลังจากพิธีกรรมจบลงชาวบ้านก็ไม่พบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆอีกเลยอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีข่าวลือหนาหูว่ามีชาวบ้านเห็นพระกับแม่ชี เดินตอนตีสามตีสี่หรือตีห้าซึ่งช่วงนั้นคนจะไม่ออกนอกบ้านกันแล้วช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่หมาหอนกันทั้งหมู่บ้านแล้วมีครอบครัวหนึ่งลูกของเขามองผ่านรูบ้านไม้ก็เห็นพระเดินผ่านถนนกลางหมู่บ้านเด็กก็ร้องออกเสียงไปว่าพระพระมีแม่ชีเดินตามมาด้วย แม่ของเด็กก็อยู่ในเหตุการ์ด้วยแต่มองออกไปก็ไม่เห็นมีพระกับแม่ชีเลยพอเช้ามาเด็กคนนั้นก็นอนตายตัวแข็งและคลิปนี้เราก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยครับโดยเจ้าของเรื่องเขาได้เล่าว่าเราก็ไม่เชื่อหรอก เพราะคิดว่าเรื่องมันนานแล้วคงไม่มีในสมัยเราแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้ววันนั้นเราไปเซเว่นกับเพื่อนแล้วเจอแม่ชีที่หน้าเซเว่นแกมองหน้าเราเราก็มองกลับไม่ได้คิดอะไรแต่แม่ชีแกมองตามเราทุกก้าวจนกว่าเราจะถึงเซเว่นเป็นสายตาที่เรากลัวมาก แต่เราคงคิดว่าไม่มีอะไรก็เลยปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปจนลืมโดยปกติแล้วเราเป็นคนชอบนอนตอนเย็นช่วงใกล้มืดเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงผีตากผ้าอ้ อ, อมแต่วันนั้นเราไม่ได้นอนตอนนั้นช่วงเย็นก็รับประทานอาหารกับครอบครัวตามปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นพอเราเข้านอน เวลาประมาณสี่ห้าทุ่มเราก็ฝันว่าเราออกไปเดินเล่นแถวบ้านแล้วก็ไปเดินชนคนคนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครพอเงยหน้าขึ้นมาก็มาเจอแม่ชีเราก็เลยยกมือขึ้นไหวพร้อมกับกล่าวขอโทษหน้าตาของแม่ชีคนนั้นเหมือนกับที่เราเจอที่หน้าเซเว่นในความฝันเขาก็หันมาตอบรับแล้วยิ้มให้ แกเลยชวนคุยว่าเป็นใครมาจากไหนเราก็บอกว่าหนูอยู่แถวนี้มาเดินเล่นสักพักแกเหมือนมีตัวอะไรในย่ามเราตกใจแกเลยบอกว่านี่เป็นแมวของแกเองซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้นึกถึงเรื่องเล่านั้นเพราะคิดว่าเป็นแค่ความฝันแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้ ทีนี้ในความฝันแม่ชีเลยชวนเราไปกินข้าวร้านข้างเซเว่นนั่งคุยกันสักพักถึงเวลานั้นมันเย็นมากแล้วเราต้องกลับบ้านเราก็เลยบอกลาแกแต่พอเราบอกว่าหนูต้องกลับแล้วแม่เรียกแล้วแกก็ทุบโต๊ะดังปังตกใจมากมองหน้าแกที่ยังไม่แก่มากตอนนี้ กลายเป็นคนแก่สู้ผอมสภาพอากาศที่เคยสดใสก็เปลี่ยนเป็นเริ่มมืดเรากลัวมากเลยเดินหนีแกก็เดินตามตอนนั้นก็พยายามปลุกตัวเองให้ตื่นเพราะกลัวมากเราทำอะไรไม่ได้เราก็วิ่งแต่วิ่งไปได้สักพักก็เหมือนแกหายไปแล้วเราโล่งใจเลยเดินไปในซอยทางกลับบ้าน เราไปเจอพระรูปหนึ่งมีหมาเดินตามเราก็เลยยกมือไหว้แกเลยเรียกเราโยมมาทางนี้กับอาตมาหน่อยเราก็ไม่ได้สนใจคิดว่าไม่มีอะไรท่านเป็นพระคงมาช่วยเราในฝันเราเลยเดินตามแกไปแกหยุดแล้วหันมาบอกว่าถึงแล้วคือที่แกบอกว่าถึงแล้ว มันไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดเรามองไปรอบๆแล้วหันไปเจอแม่ชียืนอุ้มแมวอยู่ข้างๆพระเราเลยบอกแกว่านี่คะ่ะแม่ชีพยายามทำร้ายหนูเราตัวคนเดียวมากมันมืดมากพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นทีนี้พระแกะเลยบอกว่าไปอยู่กับอัตมาไหม แม่ชีพร้อมดูแลนะใบหน้าของแม่ชีก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมพร้อมเดินมาหาเราบอกว่าไปอยู่ด้วยกันนะไปอยู่ด้วยกันนะแล้วจูงมือเราไปทางที่พระยืนอยู่เราก็พยายามดึงมือออกบอกไปไหนจะไปไหนแกบอกว่าไปอยู่ด้วยกันจะมีความสุขนะไปด้วยกันนะ เราเลยสะบัดมือออกบอกว่าไม่ไปไปไม่ได้ยายรออยู่บ้านต้องกลับไปหายายทีนี้พระเลยเดินมาบอกว่าไม่ต้องกังวลไปแกจะไม่เป็นอะไรไปอยู่ด้วยกันเราจะได้สบายเราเลยคิดว่าคงไม่เป็นอะไรเพราะเป็นแค่ความฝันเดี๋ยวก็คงตื่นก็เลยเดินตามไป พระกับแม่ชีก็หันมายิ้มเราก็ยิ้มเดินไปก้าวแรกมันมืดลงกว่าเดิมสีหน้าร่างกายของพระเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นสูบผอมหน้าแก่ลงมากจีวรขาดวินส่วนหน้าแม่ชีนั้นกลับเน่ามากเละไปหมดร่างกายมือไม้ที่จับเรามันเขียวช้ำเน่าไปหมด แกหันมายิ้มบอกไปด้วยกันนะแต่ทั้งหน้าแกมีแต่หนอนเรากลัวมากพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นแต่ก็ไม่ตื่นสักทีเราเลยบอกแกว่าจะไปไหนถามแล้วถามอีกก็ได้คําตอบเดิมว่าไปแล้วมีความสุขตอนนั้นเราเริ่มกลัวมากกว่าเดิมเพราะก้าวต่อไปมันกลายเป็นว่า พระและแม่ชีเละมากเหมือนศพที่เน่าเละกลิ่นเริ่มเหม็นเราร้องไห้ในความฝันแต่ความจริงน้ำตาเราไหลโดยไม่รู้สึกตัวพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นแต่ก็ทำไม่ได้แกบอกไม่ต้องร้องใกล้จะถึงแล้วในฝันคือมันมืดมากมืดสนิทเดินต่อไปมันมืดกว่าเดิม มันมืดพอที่จะเดินเข้าไปแล้วหายไปเลยเรากลัวมากเราเลยเรียกยายยายยายอยู่ไหนพอเราเรียกแม่ชีกับพระก็หยุดแล้วมือที่แกจับมือเราแกบีบมือเราบอกให้เราหุบปากบีบแรงมากบีบมือเราแล้วดึงเราให้เดินต่อเราเลยได้แต่เรียกในใจว่ายาย ยายอยู่ไหนไมาช่วยหนูหน่อยก็กลับมีแต่ความเงียบความมืดมันมาอีกครั้งมือเราเริ่มช้ำและชาไปหมดเท้าเราเริ่มบวมเขียวแล้วเราเริ่มไม่โอเคมี เ, เราจะไปไหนกันแน่ถามแล้วถามอีกตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวคงตื่นเองแต่ตอนนี้พอเดินไปก็เริ่มลึกขึ้นเราเริ่มหายใจไม่ออก พยายามปลุกตัวเองแล้วหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จเราเรียกยายไปประมาณห้ารอบยายถึงจะมายายยังไม่ตายนะคะน่าจะเป็นดวงจิตของแกยายมาด้วยแสงสว่างเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยคะ่ะเราเลยตะโกนเรียกยายบอกว่าจะพาหลานแกไปไหน แม่ชีพระเลยพยายามเดินเร็วบีบมือเราที่ช้ำช้ำกว่าเดิมจนชาไม่รู้สึกยายเลยไปดึงมือเรากลับมาพร้อมบอกว่าไม่มีใครมาทำร้ายคนในบ้านได้เราเลยกอดยายในฝันพระและแม่ชีก็หายไปแล้วไม่นานเราก็ตื่นขึ้นเป็นปกติเราเป็นคนนอนดึกตื่นเช้าแต่ตอนนั้นเราตื่นตอนเที่ยง ยายเดินมาหาเราแล้วบอกว่าทำไมตื่นสายจังเราร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่ายายรู้ไหมยายมาช่วยหนูในฝันด้วยนะเราเลยเล่าให้ยายฟังทั้งหมดยายบอกว่าเขาจะมาเอาเราไปอยู่ด้วยเราเลยไปทำบุญขรวดน้ำให้ช่วงนั้นเจอพระเราก็คิดแต่เรื่องแบบนี้เรากลัวมาก แม่ชีที่เห็นก็ไม่อยากจะยกมือไหว้พอวันถัดมาเรานอนหกโมงเช้าเลยค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจใต้คลิปนี้นะครับ